ก็ไปบ้านพากรดาาิไดไป้หม้ายโวล้อกไปยพอไปบ้านแรกมีความม่เรื่องใส่ในบ้านที่นทในลูกไปแล้วก็ก็รังแบบลูกปัญก็มีการช่วเช็นแงตรงนีถ้านังตงนีู้กใชยังมีจไปก่อนหน้าครับ ตอมาปารีถามาก็จมาอยู่ให้ไหนแ่ตา่บอกว่าพี่ปรีสจะอห้องนีแต่องนี้เนี่ไม่ไ่ปากัานั้นก็เข้าไปใน้อน้าแม่ก็ยังไม่ได้ใส่ต่อมาถ้าุณน้องไกไม่น่ามรเาครับก็ยามต้น ตอไปเนะแต่ง้านะแต่เอาหนักไปหยเลยต่อมาร่ผมท่แม่เลยมีความเรื่องควาไปพ่อพูดถึงเรื่องแม่ก็เป็นคา <AND> <im> <ing> <im> สองเรือบทกี่มีเรอยาาเอลและมการสมัทสรถ้ามีภารกิ ไม่ส่งคนี่เลยครับมนเลยเป็นหัวหน้าทางหัวเป็นหัวหน้าทางมันรู้เลยไม่รู้ตอนที่น้าก็ให้ตาไม่ตัไม่ได้ยินไม่ได้ยินโ ก็จดมีคนตัดสินคนตัดสิน่ย 当地工作人员表示，下过土 t a y i k e i ๋ยมก็บกหลงตามนั้นราส่วนโับภาพโยมไหั้เวลาท่านตั้งมาต่อมาประมาณ้อยบาม่โยมก็จะไหวตั้งมอีกไปอีกบ้าเดิยที่หบ้านกินข้าวบ้านเลยมาด้านหนึ่งอะไรนบ้าทในรอยจาก็ได ก่านแรกบอกว่าไม่ได้โยมได้ไม่ได้ทาไดขถือว่าเป็นค่าไม่ได้แต่ว่าต้องผวาบ้านคนเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าต้าบ้านแล้วอใส่ต้ส่าวด้ยสาวรน่ ถ้จะร้อนให้ลงน้าไปเย็นเย้าไม่องนันะก็กระตุกนะเอามันปลุกใหเกนงกายจะรู้ชดใช้ได้ไหวจะพาด้วยไวจะทอดันไหบอ๋่ก็ควรจะรู้ o a n t wait. <laughs> ลูกทางทอเก็บราให้บอกพ้อยปวถ้าปยไ้กินก well, <then> ินเชื่อเราเรอให้ดไม่เคยดีกิ่ก็ม้นเพาี่อนเาเน้ยเขาใสเขาเราโมาถ้าเป็นว่ายอมรับเราใ้มองไปเลยเพราะถ้าอู้ได้้ากินกิไ แต่ว่าเราโอจะให้โทษถึงแสนอ่มี้นะกเราโอเข้านะแต่เราหอนจะให้คุณตอนขายแต่รับผิดชอวเราโอนเนไมือ้นเนของเราเอาแน่นอนไะด้ให้ลาแล้วเราอดไปคือเราในในไมากแต่ถ้าเรราวอเาหันองินอนเปนเรืการ เราให้สุณไหมให้เงินที่เป็นควรจะได้ไหก็ได้วันหนึ่งมาตุระคุณบอกจอใช่ไหก็กลับไปรากฏเวลาด้านเองะไรลยเม่อไหรนโซดาไปเป็ขาดโซดาไปขาดนะ่้มีเพื่อนคนหนึ่งเอาโซดาไปไว้ทราที่ลอยขึ้นก็นไปถึงบตัวถาเรื่องมันทาไม แต่ถ้าว่าทไมผมถ้ามีใครขาจะื่อขายด้วยผมต้องการราคาตอวนี้นะครับแต่หากเจะขายเกินไกว่านั้นเป็นรื่องของขายไม่เตรวเลยพอเจ้าอราว่าตาดมันก็มีคนปกันไปขยันอยูเลราะว่าตลาดขาไปแค่ราคา่าเดเวบอกับพี่เพื่อาไว้ราคาเท่านี้นะก็ราคาเท่านี้จะทให้ เอ้อก้วถ้าวิจารณ์เข้าจเป็นไนะแ่้าเรียต่อแนนอนไมไมรนต่ไม่ไ้หอกมไมเมไปนานเเนร้ารกเ็นไม่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใใ ก็ไาขอคนนี้เขาแลนมจากม่ไรกันคเ่นเป็นเื่องิงมื่ก่อนยันไม่เชื่อไปโดนแล้สียไอ้งเท่าไรที่เชื่อเน้โดนมาแล้วมันอาจารย์วราาโดนมาแล้วไปเสี